ราวนี va, ้เราก็จะมาดูว hmm. yeah. <bed> ่าพระผู้เปเจ้าสอนอะไรสอนยังไงมันมีหลายหลักสูตรนะหมายว่าพระผู้เป็เจ้าเนี่ยแสดงคำเนี่ยตามพยาศัยสองคนที่มาฟังบเพราะฉะนั้นเราไปลองลองดูว่าทเจ้าสอนเราอ่ะสอนเรา่สอนเนี่ย ทั้ไงเราถึได้ปูเราก็ต้องระวังละธรรมของพระเจ้าพ่อปฏิบัติอของพระเจ้าอันดับแรกเลยคนที่จะมาปฏิบัติทูตเจ้าของก็มีศีลพวกเรามีศีลนะมีศีลกันนะศีลนี้จะเปต้องขอมาไหมโอ้โอ้เก่งมากเลยโอ้ถูกใจเามากเลยเนี่ยแล้วทายังไงอ่ะนน สมาทานคําว่าสมาถานคืออะไรสัมมาาเนธอาจารย์บอกว่าสัมทานหมายความว่าเราเห็นประโยชน์เห็นว่าสีนี้เป็นของดีเป็ของมีประโยชน์เปนขอสูงปฏิบัติแล้วมันมีผลดีต่อจิตใจของเราเราก็เลยลับเอามาปฏิบัติรับเอามาปฏิบัติเพราะ เราหนุนประโยชน์ของมันด้วยความเต็มตัวเต็มใจด้วยความพยายามผาาเพียนของเราเองเพียงที่เรียกว่าสัมปทาเราจะมมอให้กันอยู่เนี่ นีไฮเทคก็ยกมือด้ตอขได้วันนี้แบบเปลี่ยนกันว่าไงนะรับควัเราก็งการรับความชัวเราก็ได้รักษาสิอสะสมเเพื่อสะสมเอก็ได้เอเพื่ออะไรอา เป็นพื้นฐานของการปฏิบัติค่ะเป็นพื้นฐานของการปฏิบัติได้มีง่ายมีง่ายอยากตอบมีบ้างแยกกันอ่าได้เพื่อการสั่งดวงวาจาใจอ่เพื่อการสํางดวงใวาจาถูกต้องถูกต้นงหมดแล้วทีพูดมาเนี่ไอ้ศีลเนี่ยีเนี่ยมันเปข้อ คำโบกาณใช่ไหมเน็ตตัวว่าการเยกแบเราลักล้ลลชาสินอะไรสินหมีใครสินแปดมั้ยสินห้าโด้หรอมีสินแปดสินห า, า, นนาที่ น, นี่สินเนี่ยมันมีเจตนาวดเว้นกับวดเว้นตัวเจตนา เคยได้ยนะินไหเจรนานงเว้นมีอันหนึ่งนะถ้าสมมติมีเจตนาที่ไม่มีขึ้นมาเรารักเจตนานะมดเว้นเจตนานะมีงดเว้นเจตนาอันไหนอันไหนลึกซึ้งกว่ากันเจรนานงเว้นกับงดเว้นวก่อเจตนานะตรงนี่เจร น, นานงเวน อ่ะทีนี้ลองลองดูเ ร, เ, รเรื่งองศีก่อนนะอ่ะสีนเมื่เวลาเราทำทำผิดพลามันจะมีความเดือดร้อนใจตามมาจริงไหมขอ้อพิพาน บ, ขบุข้อดโดยเฉพาะถ้ามีเจตนาจะทาผิดเนี่ยเวลาเราทำไปแล้วเนี่ยมันแต่เดือดร้อนใจที่หเพราะการจะทำเิด แต่ถ้าเจต น, นาเราบริสุทธิ์ถึงจะผิดพาด ว, ว่าเราเก็ต้องอยู่อย่างพอให้การเปลี่ยนาปลงว่าโอ้เราเจตนาเราดีใครมาถามก็เกิดอะไรอย่างนั้นบ้างก็โอ้เขาเจตนาดีแล้วทำยังไงได้ามัานผิดพาดให้อภัยง่ายใช่ไหมแต่ถ้ามีเจต น, นาที่ไม่ถูกต้องไม่ดีอันนี้มันเป็นอุปสงคแล้วมันก็ทำให้ จิต ใ, ใจเรามาีความีปัญหาตามคือคนที่ตามมาเรียกบอกว่ามีความเดือดร้อนใ่เขียวยึดกับอิสระเป็นอาวิสส์เนี่ยโอกาสิี่ผีเนี่ยพอเจตนารวมเป็นทีนี้ที่แรกคืเจตนารวมเป็นแบบสารวมเพือ่อความสำรวมเราพอเจตนามวมเป็นํารวมบ่อยๆเขา้าสติเราจะดีขึ้น ความชันพลังไมมีสติใช่ไหมแล้วมันละมาพอมีสติมันก็จะมีสัมปัตย์เฉยเพรามรู้ตัวทาอะไรกรู้ตัวถ้ามีสตินี่อว่าหมายความว่าครั้งแรกปุ๊บว่าเราเห็นกายสุขนปุ๊บเห็นหน้าปั๊บมีสติเห็นละดูตั้งแต่หน้าไปถึงเท้ามีสัมปัตย์เฉยดูทั่วดูกว้างมีสติมีสัมปัญย์เ เมื่อมีเมืมีสติทับแต่ญญงเนี่ยสติมันจะรักษาจริงไหมพอรักษาะิตได้แล้พอจิตมันเริ่มที่ไม่ดีเจตนาไม่ดีขึ้นมาสตินี่มันจะไปพาจิตมันไปรู้รู้ไอ้ตัวเจตนาไม่ดีนะพอรู้ตัวเจตนาไม่ดีมันจะมีความละอายถึงแคบอยเคยสัดเจนไหมเออแต่ถ้าใครรับตรงในแจกทำมันจะเห็น มีความละอายถือแล้วความกลัวเองกัวแล้ ว, ว, วแล้วเจตุลสำรวมเป็นมีความสำรวมนี้ถือแล็นเจตุตรงนี้เขาเรียกว่าสิ่งที่แิเข้าใจไหสีนี้ที่คือสินน่ี่อยู่ในใจของเราที่ที่มันละเจตนาที่ไม่ไดีได้แต่ว่ามันต้องมาจากการมีเจตนาบนเมนคือสำรวมเราวังปฏิบัติก็คือกระทัามี ส, สติสัปรายจงยแล้วก็ละเจตนาที่ไม่ดีได้ ทีน้พละเตนาที่ไม่ดีได้กิจเราจะไม่มีความดีน้สมาธิก็เริ่มต่อเนื่องขึ้นมีพศีลจึงเป็นบาดของสมาธิไม่ั้นศีลเป็นเจตนาที่มดเว้นอะไรมันเป็นขออยู่เหมือนต้นน้ำ่ในตัวรู้องศีลมันยังไม่เข้ามาที่แต่พอเจตนาลงเด้ปั๊กมันมาที่จิตของเรามันเข้ามาแลเป็นบาด เพราะฉะนั้นสีที่มีความสำคัญเพราะว่าเพื่อให้เรามีสติสำคัสดเพราะเป้าหมายขอการปฏิบัติธรรมก็คือมาเจริญสตินั่นเองทำมาที่สาคัญลงในสติแต่การที่จะมีสตินี่เราต้องเริ่มตั้งต่สีเพราะฉะนั้นอนิ้สินทุกคนมีแล้วนก็แสดงว่าเป็นไปตามหลักธรรมของพระเจ้าปีสีนี้มันก็มีความได้ มีความไม่เด่นแตนถ้าศีลของพระโสดาบันคนจะเป็นศีลที่เป็นที่ยอมรับของชาวยาคื อ, อยังไงคือเป็นศีลที่มันมันไม่มีปัญหามันเป็นอิสระมันเป็นไปเพื่อบาตฐานของสมาธิเพื่อความบั่นคงเป็นอิสระไม่ได่างไม่ร้อยไม่ขาด พลังศีลของพระย่าๆนี te ้มันจะเป็นสิ่งที่เพื่อใจเป็นสมาธิเพื่อที่จะมีปัญญารู้ความจริงออกจากทแต่ถ้าหากว่าศีลของคนทั่วไปก็ยังหวังบุญถ้าหวังบุญนี่เป็นทางต้นทางตนยังยวพอใจเนไหวใจเส่อมนะบางทคนทำบุญมากๆทำบุญมากๆก็อยากรนยดีๆอยู่ อยาเกิดีเกิดแล้วกอดเกแล้วผิดดีขึ้นเรื่อยๆดี่อยๆดี่อยๆีแ้วดีีกดีแล้วอไหวไหมอาจาย์ไหวฝหมไม่ไหวยาจารยจนก็เลยตายก็ได้เอะไรใจก็นด้เกิไม่ยิงนเยอะยูีแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ได้นะใช่มเพราะฉะนนมีเยอะก็กมากเพราะฉะนั้นมีเยอะก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเราต้องมาทำเอง โดยเฉพาะเอามาสร้างโอกาสให้เราได้ปฏิบัติเพื่อไปสู่ความรุง่งเรือนี้เพื่อได้เดินตามทางของพระเจ้าหรือเอามาทําประโยชน์ทําประโยชน์นั้นมันก็จะมีผลต่อจิตใจของเราทําให้จิตใจเรามีความสว่างไสวไมครับแค่มีจิตใจที่สบายเราบอกแล้วว่าแต่จะมีสบายได้ก่อนบริการที่ทําทานว่าต่างจะเป็นเป็นพื้นฐานที่ดีเพื่อให้ทีมเราดีรักษาสิ่ก็พื้นฐานธุรกิจ เพื่ให้สติสันพัญญาดีทำให้สติรักษาใจได้ง่พมีศีลเด็กมันจะรู้สึกมีความเชื่อมั่นในตัวเองสมัยก่อนะมาตอนไปรู้เรื่องอะไพอต่อมาก็มาเนี่สมาธิมาปฏิบัติปฏิบัติแรกก่ที่รู้สึกว่ามันเกรรมีตัวงเองแน่นก็เลยตัดสินใจว่าเราจะลองในศาสนาศาสนะไรรู้สึกแข็งแขร่งขึ้นมาเลยนะรู้รลยว่าศีลเนี่ยทำให้ยิ่เข็งแขง มันมีความเชื่อมั่นในตัวเองพอใจกับตัวเองขึ้นต่อมาก็จะทำให้เข็แขน่งขึ้นก็ลองวันพระออรแล้ววันพระศีลแปดล่าสุดพอวันพระศีแปต่อมาก็เอาวันโกนด้วยขยับต่อมาเอาอาทิตย์หนึ่งศีแปเป็น อ, อาทิตย์ต่อมาก็เป็นเดือนต่อมาก็หลายๆเดือนบางทีก็คว่ำบ้เอาบ้าแต่รยยมยาเทาร้า น, นี้ พอใจรักษาสิ่งแบบเพราะมันมีความเข้มแข็งมากสมาธิง่ายเลยนะง่ายอยู่ตรงไหนก็นทําสมาธิได้นี่สิ่งก็งมีความสำคัญโดยเฉพาะมันทำให้จิตใจเราเข้มแ ข, แข็งแล้วมีความพอใจตัวเองไม่ค่อยมีความทุกข์ความเหงาตอนที่เกิดจากการกัการเมื่อไแล้ ว, ลวสมัยสมัยก่อนทํางนานมันก็จะมีเพื่อนรู้อะไรใช่ไหมเวลาเราไปไ โวกุกันตางทก็ต้องงทีก็ไทีินอาหารอรือเป็นเวลารับดาหนานเป็นเวลาที่มีความสุขใช่ั้ยเอาเวลาไหนบ้ามีความสุขบ้อนนอนสองกินสาเที่ยซ 4. เ้ปิ่เกี่ยเช้าปิ่นกังอยู่ในการเที่ยวเหร กินนอนเกี้ยวเพูดอะไรนะทำไมมาโรงพยาบาลงงๆเคือคื อ, คอมันทำให้กิตใจเค้แข็งกายเรืรเ่องสิเนี่ย แ, าานนลแล้วก็สมาธิเกิดง่าเอาละทุกคนมีสิทแล้วจากนั้นเราสอนต่อเอ ข้อที่2อู้เรียให้ซ้ำรวมอินรียินซีมีอะไรยินซียนึอาอจิตาใจยินซีนตูป่วยเนี่้คือินรีในตัวผู้ป็นี่บางทีก็เรียนินรีห้าแต่มันก็ระดับการแบบนี้นะสติสติยินรีไม่มียินรีย์กนี้พวกนี้เป็นเป็นอินรีห้แต่ความหมายคนละคนละอว่างกัอินรีตัวนี้อินรีตัวนี้หมายถึงว่า มีซีสังวรอีซีสังวรและศีลศีลชนิดหนึ่งหรือว่าเป็นการที่รักษาเวลากระทบอารมณ์นะเอาเวลากระทบอารมณ์เลยนะเนี่ยจิตเราดีขนาดไหนมีสมาธิขนาดไหนสงบขนาดไหนแต่ต้องมาดูว่าตอนกระทบอารมณ์เรารักษากิตใจโดยตาเห็นปั๊บตัวเขาทําอะไรสักอย่างไม่ถึงใจจิตใจมันไหวขึ้มาไเอาเอาตอนเวลาที่มันเกิดผู้คลอง าวานตอนที่มันกระเพาเอุดขวานี้ให้รักษาให้รักษาใหญ่บ้างถ้าอย่นี้แสดงว่ามีการมิสีสทมารวยส้มด้วยีสีรักษาตาหูยองร่างกายแต่ใเวลากระเพาะอรักษาได้ไหมได้บางไม่ได้บางเอาระว่างได <SON> ้กับไม่ได้ไมมากก่ากันไม่ได้มากกว่า สมเวลาที่มความทุกข์ผมบอกทุกคอมเม้นท์ซีไม่ได้อันนี้งเจะสอนใ็นพยายามไม่ได้มาพระได้เลยนะถ้าได้เลยนี่หมายถึงพ้อละหันนะเ้อละหลันมีได้แน่นอนเป็นยังไยังจะนอกกนั้นก็มีบ้างอะไรว่าก็อย่าให้มากอม่าให้่อยนะก็กำลังให้สำลรวมากขึ้นเรื่อยเอามาเป็นบทเรียน ยอมรัว่าเราอยัางไม่ใช่โบราณใช่ไหมก็ต้องมีบ้างแต่ไม่ใช่ว่าเมื่อไรก็ออกทุกทีทุกทีเลยหมู่บ้านที่อะไรที่มันอกออกทุกทีเราบอกฉันไม่ใช่โบราณอันนี้เป็นเรื่ันนี้เป็นการแจ้งกครับสำนวนเอ็นซีมีราคาก็อารมณ์มันยังรันเราก็ระวังขอนที่จะไปเจออบางทีมีวันที่เจอหน้ากันมันรู้สึกมันใส่กุญแจางทีเลย ไอคนนี้น ม, มันรู้สึกเขาพูดอะไรมาเพราะมันไม่สนใจอะเขาทาอะไรก็หวังไปมีได้มั้ยนะในแบบคุณกรรมเราบางทีบางทีทำให้ปิ้งกันก่อนเลยนะปิงกันเสร็จแล้วเอาคืนทีหลังมีไหคือคนเรามันจะไปหนีธรรมชาติของคนเรามันไปเรีอนยากที่กหนมาคุณพบอคเณแม่คุณสามีคุณภรรยาอะไรตอนนี้คํามดีให้ผมมก็ปิ้กันก่อนอ แต่ที่นี่มันก็เคยเป็นศัตรูกันมาเลยเข้าใจไหมเคยบังพอกันในรุ่กี่ชาติก็ทีนี้พอไอ้กำไม่ได้ยินให้ผมเอาเครื่องยืนนี้ก็รอมให้พี่กันก่อนกำาม่ยินจะเอาเครืงนะยตนองระวังหน่อยกันอันนี้คือความไม่แน่นนขงกาะศึกสาเพราะฉะนั้นใครกับกำไม่ชอบเราหรือว่ากงมีกันเราก้องเจอกมนไม่เคยกันเลยมั คนที่เป็นมิตรกันก็เคยเป็นศัตรูกันแต่ถ้าใครเคยเป็นมิตรกันพบชาติที่ใกล้ๆเนี่ยกอนที่เราจะมาเจอฉากนี้อันนั้นมันจะทำให้เรารู้สึกว่ามันเห็นหน้ากันแล้วมันก็ออลกระแสกันได้ง่ายแต่ถ้าว่าเคยเคยเป็นข้าศึกัตรูกันมาพบชาติใกล้เห็นกันแล้วมันก็รู้สึกว่าไม่สบายใจบางทีแค่เดินผ่านรู้ว่าในแว๊บเขาโดนจีบ ไอ้คนาานี้มันต้วัาเนี่ยเนี่ยพูดกันไปด้วยกันมามันก็จะยมันไมสึกมันระวังมันไม่สบายใจกับบางคนนี่แม่พูดทั้งวันกระดับนี่กันแม่สู่สูงใจบางทีบางทีจับอะไรยึดถึงเขาอยู่แน่เลยยึดถึงมากถ้ารูา้ธรรมะสูงใจระมาดจริเพราะมันจะนลอกความคิดของเราให้คิดในทางที่ดีขึ้นคิดในทางที่ใจเราหมืนสูง ข, ขึ้นใจเราดีขึ้นเสริร ข, ขึ้น ต้องคำนวณค่าของการบริเวลามันจะเข้าปานมีควองสัที่สุดเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไม่ชอบใครหรือว่าใครชอบยินาเตียมใจได้ต่อว่าออกไปที่ทางานยืกลับบ้ามันจะเจ้าเก่งแใ่ไหนกางอย่างนี้เราต้องเวลาเรามาไม่ใช่ยเฉยๆนะต้านึกขึ้นมาว่านึกขึ้นมาวเกี่ยวกับเรื่องทำยังไงเพราะว่าเราออกไปทำงานต้อสมัธนี่ เราจะเจอคนนี้เราจะวางภาพดีกับเขาอย่งเอาทีนี้เอาเขาเป็นคร่องมือจใจเราสังเกตใจเราอ่านี้ก็เขาบอกว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าใคระวังวเอง้าัระวังคัถ้าใจะระวังคนอื่ก็ต้องมาระวังตัวเอง น, นี้คือระวังยังไงนี่มั น, น, นก็ราวงวเใช่หเนี่ยร ะ, ว, ระวังเขาเอ่ไม่ให้กกมันกักันมให้มี ก็ต้องมาระวังทีขาระวังแล้วก็จะมีความมคลด้วยมงคลหรือก็พยายามที่จะไม่คิดเบียดเบียนกันไม่คิดเบียดเบียนคนพยายามให้มีเมตตาต่อกันให้เมตตา้กันสงสารชื่กันในการขัดตาคนกันไม้อยังนี้เานี้นมีกรรมไว้ด้วยกันถ้าใครมีเมตตากรรมต่อกันก็เราก็จะได้บุเมทตากรรมเป็นเสียขามไม่ต้องไปสร้างกรรมให้อย่าเลยต้องไปอย่าง อันนี้เป็นความสอนทีเกว่าในคำว่ระวังตรงนีเนี่ยเรีว่าวะงถ้าจะระวางตรงนี้ก็อต้องมาองดที่มีความมุงเนี่ยที่ว่านี้มีสติการสะเราแล้วก็ผบรโภคเรารสาติทเราแล้ก็ต้องพยายามที่จะไม่ขี้มีเด่นเขาแล้วก็พยายามที่จะเมตตาต่อกันเพาื่อนด้การที่สงสาอันนี้เป็น คำสอนองเจ้างตนโเลยนะเนี่ยการมีร่วมการเปลี่ยนแปลงถ้าเราวางตัวเองก็คือต้องพยายามมีสติมากๆปฏิบัติสมวิชชิมีสติภาษาตัวเองมีสติมากๆเข้ามันจะพวบคุมจิตได้จิเราเ่อนยังไงขยับยังไงรูกสิกยังไงเราจะทำอทางแล้วมันก็เกิดดับไปเพราะวันเกิดดับไปนี่แหละคือตัวมิจฉาสนาเนี่ยเออมิจฉาสมาก็คือจิตพวกเรานี้ และวไปดูกายดูรูดูอะไรไปเมันก็จะมีปฏิยามีรูปมีนี่เกิดขึ้นถ้าสติให้ดีมีสมาธิดีก็จะเห็นมันเห็นมันนี่คือมีสติสัมปชัญญะมันก็ไปจากการสมมตวงเนี่ยเรากำลังพู่เพื่อที่จะให้ไปถึงว่าไอ้อาจารย์ปฏิบัติของเราจะได้ผลดีได้ยงไงครับข้อที่สามดูนะว่าเราทำได้ไหมนะว่าตอนนี้เราปฏิบัติทำกันใช่ไหม ปัีน่มาแล่วยใช่ไหมหลยแห่งเลยข้อที่3จะผ่านหรือเปล่าข้อสองผ่านผ่านได้วหมผ่านได้ตลเอาเป็นว่าจะสํารวมต่อไปนะแล้วมาต่วันะเรารู้แล้วทาอะไรพยายามเลยอันไหนมีเบียดมีตัดออกอย่าให้มันมาดึงเวลาเราไปเสียเวลาไปเสียสิ่งที่ไม่สาระเหมนั้นเนี่ยเราก็เข็งแข็งขึ้นมาด้วยเนี่ยดูพระพุทธเจ้าพระุทธเจ้าที่เราทรงประวัติาว่าอ่อนแอท้อแท้ไม่มีเลย่อนมือ่นบา มั่นคงเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวาอาหารมากส mm hmm. ล, าลัด ไ, นะได้ไม่ทำชีว mm ิต hmm. เวลาลูกศิษย์เราก็จะเอาไปสบายๆนะอยากได้อยากทำมะกแต่ว่าโอ้เวลาปฏิบัติเนี่ยไม่ค่อยจะเพียนไม่ค่อยไปยาวไม่นค่อยตัวเลยเนี่ยผ mm hmm. ีคนมาถามมึกไงเขาบอกว่าทำยังไงถึงจะบรรลุสุดยอดันฑมั น, มนคือเรามีท่าทานะ เ ร, เ, นนนเราเลยแก่งแก่งพูดไปชดไปนอนมากๆวันนี้นมากๆนอนมากๆเลยตื่นข้นมาตอนนี้ก็ไม่สวยแล้วเขา้าหัวรเขาเเขารู้ว่าเราผูดคำนะคือเขาจะเอาแต่สบายก็าจะไม่ไม่อยากตักดนี้มาก็เลยคูดพูดไปแต่เขาไม่โกรนะโกรธเราชอบใจให่ข้อที่สาโคเชนีมังตันลิธาไม่ได้ยินแปลว่าะอะไรโคเชมนมันตันลิา รู้จักประมาณในการบริโภครวมทั้งการใช้สอยสิ่ต่างๆันมาที่ น, นี้ต้องเริ่มนะเข้าใจหต้องเอาให้มันเกิดจริงเลยนะรู้จักประมาณในการบริโภคอประมาณยังไงประมาณยังคุณจ้าบอกไปอย่างนี้นะอีก45คำที่มันจะรู้สึกใช่ เราเราวัดได้ในความรู้สึกเราปี๔๕๓จีให้เติมน้าลงไปจะพอดีดีคือประมาณในการู้าอาหารใ น, น, น, นในของหลังตับถ้ามังคมาว่าอารสุดาดแล้วสังเกตได้เลยลองดาแล้วเราทำงานก็ไม่ดีถึงจะมีสมาธิขนาดไหนก็ตามลองร่างกายเราไม่ฟองเราในมาว่า ระบบประสาทสมองเมันอนกมั่เลยไอ้สตินี่มันก็คุมไอยู่เหมือนาเวทนาไอ้พวกนี้มันมันยึดจมาเป็นมอเันนี้ไม่ใช่่าน่าชัดเจนวันไหนฉันบินไปนั่งสมาิไเดินเดินาต้องเดินเจอบนเยอ่เจเต ประมาณในการบริโภคอาหารนีัรวมทั้งการใช้สอยสินค้าอัน ท, ที่จริงเนี่ยการบริโภคอาหารสำัเพราะว่ามันมีผลต่อตัอวใจเรามากเพราะมันมีความอยากความต้องาการถ้าเวล า, ามันาไปเราแพ้ไปแล้วนนเนี่ยเราเสียท่าหมดเพราะเราต้องเอชนมันได้เพราะนั้นต้องเริ่มต้นแบบนี้นี่คือหลักสูตรของวยานะามข้อแล้วนะส่งขยานนะถ้าใครจะเอารูปใคร เรารับกับตัวเองเนี่ยเป็นสาวของหยาบต้องจริงจังนะใช่ไหมรู้แล้วเรามาปฏิบัติถ้าไม่มาจริงจังแล้วมันมั น, มนก็แสดงว่าเราเราไม่สช่สาวกัตัวเองข้อที่สี่อันนี้ชาให้อย่างมิโยชาพี่หชาบมิอย่หมายไว้กว่ า, า, ววาความเพียรเพื่อให้จตื่นเพียรให้จตื่นเรียกชาพี่หย่างมิโย ก็คือต้องมีสติปุย้ยเดินจงผมนั่งภานวนาเวลาว่าเพราะเวลาเดินจงผมก็ต้องเดินถ้าว่าเราของเวลาทายาศัยตามัติยาศัยถ้าเรามีเวลาของเราเราก็เดินจนผมนั่งสมาธิแต่ถ้าเป็นพระนี่เพจะสอนสอนตงข้างตรงข้าง้ายไกลๆว่าพอฉันพัฒนามาเสร็จนะเพื่อน เดินโยมชมสาการนั่งพรนะนั่งภาวนานุ่งหลับชเย็นถ้ามีกิจอะไรต้องทก็ทําำเสร็จแล้วก็ปลับห้องบัญัตตั้งแต่6โมงไปถึ4ทุ่เดินอย่ชมนั่งภอวนาพอ4ทุ่ไปถึง 4.20 ก็จะบอกว่าชิมบัมญับเป็นเวลาพักผ่อนรงกับหมอเนีชิญหมอปัจจุบันเนี่ยหรือหมอแผนไทยก็ตามเขาไม่อยากให้นอนดึก4ทุ่เพราะว่าช่วงเวลา สีุ่เนี่ยระบบร่างกายของเราเนี่ยมันกำลังทำหน้าที่ใไรเช่นอย่างนี้ใช่ไหมั่นก็ตารยาระบเพราะฉะนั้นเ้าเลยนัางกายมันจะผุนมันทำให้สุขภาพไม่ค่อยดีแล้วก็เวลาตีสองไปถึงสว่างอันนี้คือปัจจัยเมงต้องลุกขึ้นมาเดินไปโฟนนั่ขอนี่ถ้าอย่างนี้เป็นเป็นเป็นลักสณะของวุธิจา เราจะสะความเพียรแม้ยิ่งถือเนี่ยก็คือพยายามพักผ่อให้น้อยหนลดลงมาตามปฏิทถ้าคนปฏิบาาัติธรรมแลามีสมาธิมีปติอกกอนนมีความสุขความสงบไป อ, อยัพอดีน้อยก็มนันดีไม่เป็นไรมากๆจะเริ่มมีมสก็สตินปปฏิบาาัติธรรมแต่บางคนงเาปฏิบาาัติ ทำไรกตม่ได้เป็นเกิน4ชั่วโมงผมรูว่าสติของเรื่องได้คงดีมากเคยชัดเจนแล้วก็บามทีมันไปยุเรื่องบคนแก่รู้สุขคาพไม่ดีอะไรยเงี้ยแต่ก็พยายามที่จะให้มันมันมันมันลองเรงดูว่าเอาความดีเอาขนาดไหนเอาความดีแต่ถ้ามอเขาบอก4ชั่วโมงนะ8ชั่วโมง8ไม่พอ 6แล้7แปด6 6เจป6ก็พอได้อยู่นะก็พอแต่ถ้าแปดเองวังนีคนปฏิบัติธรรมมันจะเยอะครับสำหรับคนที่ทางานหนักมีกิเลด้วยคือคนเราเวลาติดมันมนกุมแต่อะไรเมันจะออกกิเลมันจะพาไม่ทิดงุมแต่งจนแล้วเลยและพลังงานมันจะสูญเสียไปจากไอตอที่ไม่กุมแต่งเยอะมาก ก็จะทำ้เราฝึกมีสติมันดีขึ้นสมาธิดีขึ้นเนี่ยการมักผ่อนก็่ไว้เยรเพราะแล้ต้องพยายามมีความเพียรต่อเรืองานนี่คือชาวยิ่งประโยชเพียรต่อเรือกมีโอกาสให้เดินมือกบนักหนาหนักหลาอีกสี่ข้อแล้วนะข้อที sí imo, ่ห้าข้อนี้มันก็คล้ายๆกับมันมนก็รวมกันจะแยกยกอยกก็คือว่ามีสติสปญญแหละวมีสติผู้ยาเยวชนใหญ ยืนเดินนั่ ง, องนอนมีปฏิยามีปฏิยาเยอะรับประทานอาหารมูน้ำดูผ้าเข้าน้ำห้อส่วนใส่เสือ้อผ้าเดี้ยวซ้ายแรงขวาคู่เหยียดก็พยายามจัดหมดเลยอันนี้เรมมีสติสมบัติจยะแสดงว่าต้องสับหมดเลยต้องช้าไหย แช้ากูกด้เพราะกล้ามมมีสติสัมปชัญญบางคนเร็วสติดี้กระบางคนช้าสติดี้ัคนใหม่เอาไม่ช้าช้าแล้วดีก็ทำได้เพราะว่าเราต้องการตัวสตินีสติสัมปชัญญะสติมันต้องรู้จักกันหมดถูกไหมเนี่ยคือความรู้สึกตัวความรู้ตัวถึ้เรนรู้สติเนี่ยเรนรู้เอ่ิเราอยู่ได้สติมันมีหน้าที่ควบคุมจิตเพราะนั้นเราก็พยายามให้สติเนี่ยมีกับเรา จะช้าก็ได้สาหรับคนนั้นมันพอดีสำหรับเขาเร็วก็ได้สาหรับคนนั้นบางทีช้าต่อไปมไม่ไหวเซซ้ายเซกวาหลับไงบ้างอะไรบ้างเร็วก็ดีกว่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนเดียวก็ไม่ได้หรอกช้าก็ได้เร็วก็ไดขึ้นอยู่างพอดีแต่ที่เียบนอนอ <laughs> ันนี้ไม่ไดอีกบางคนอยากจะนอน <laughs> ก็ <laughs> นอนภาวนาเนอ <laughs> <laughs> นอนนี่้สุท้ายจริง เวลารับผอมครูเนี่ยเราจะนอนค่อยๆไแ้งมาแต่ว่าเราต้องคอยมีอุปกรณ์ตัวเองหรือว่าตุแก่บาีจเป็นระบบลำไส้โรงการาผอมหมักผสมปิดไว้ว่ากันคือสอากนี้แต่ละัวอภิชติสัมปัญญะต่อไปคราวนี้ผมจะสอนใ้อีกเรื่งนั้นหนึ่ง ก็รังตากายโทดลงสติเฉพาะหน้าเอาจิงนะเ้นสมาธิสมาธิเน้นเน้นที่แบบทีแรกมาเน้นสติข้นัาหมดเลยใช่ไมีความเพียรก็เพื่อมีสติสมแต่อออมาเน้นสมาธิแบบต้องสติคูติไฮโดเรตรัดนิวรณ์้อัยรก้ือสักันดีนกองแรงงาก็คืตัวนว กองแห่งุศคือตัวสิน่เราต้องรู้วลาไรเป็นบุญใครต้องการบุญต้องการกุศลคือกุศลนี่มันมันสูง่บุญเนาะบุญนี่มันหมือนับว่ามันทาให้เราเีนบ้านแดงเึิดมแต่เกิดสวรรค์นมั้นี่มีผลบุญอะไรแต่ถ้ากุศลนี่มันเป็นฝ่ายที่อยาให้เราละกุศลได่อยกิเลสได้หมายว่าให้มันสูงขึ้นไปในฝ่ายกุศลเนี่ยเป็นฝ่ายเี่ทำให้จิตพวกเราเป็นอิสระ เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ขอกมาใช้เขามากเส้แต่บุญเนี่ยก็ใช้เยอนเหมือนกเพราะว่ามันมีมาใันหนึ่นะสมัยก่อนเรียกปหยันยเรียกประหยัดแต่ที่จอกาศัยมีทาได้หมรอยาไปเปลีที่มกองรัฐดีวันไฮไลท์เขาไม่ใช่วงรัฐได้ตลอดเลยมายว่าพยายามสู้ นิ้วหันห้าเนี่ยจริงๆมันก็เป็นธรรมใช่ไหมแต่ถ้าภาวาสติเราผอาดเราโนคองมาจิเราก็จะไปถึถงคือเป็นจมอ น, นประมาณอ้นนะมันจะออคองแล้วเราก็จะไหลเตะประมาณนิน้วหัวหน้าเนี่ยอะไางการมจาจัดไนิว้วหัก็คือรูปแล้ว ก, กินเสียงใช่คือรูปเสียง เปลี่ยนลดสัมผัสสิ่งที่จะมาเอามาทำให้ามีความสุขเป็นไหมอะไรนี้เขาล่านี่คือาสขกการัแล้วเอาะเอาะไรสีขออะไรมาพ่ให้มีความสุขอยนียาบาอายาบาทานี้อร์มกูโ่สูงข้อ่เลยนี่แต่เ่งที่ทให้เา้วกมาการมองความใช่ไหมอันนี้ก็ต้องต้องพยายามยงแรก แต่เมตตาดูมันยะรู้ว่าเออถ้ามามีพวกนี้สัญญาของพเจ้าใหให้ให้เห็นมตตาเห็นเมตตาออกมาแต่ต้องเตรียมไว้ก่อนนะถ้าไม่เตรียมตอนตอนที่มันขึ้นแล้วเนี่ยเมาไหวไหมไม่หวเด็กเพราะเพราะเานย้ไปเจอเขาเมตตาเหนเมตตาที่บางทีมันไม่ไม่ยอมเลยอาตมาที่เคยนะเราพักด้วยกันเลยนะ มันมันมันมีปัญหากันนะอาคตเราก็เอเราดูเราูดับหน้าเราดูดูตะเพิ่งไปดูมาเราไม่สบายใจเพราะมัมีมัดเอัแล้วช่วยกันเรื่องนี้มีกิจกรรมเพียงไรนี่จะทําอะไรคือมาแผ่เมตตาดีสาเข้ามาเลยนะแผ่ให้ไม่ออกแข็งชื่มจริงจคยเป็นไห ทบเลยดินี้ก่อนนี่อ็นคนพูดก็ปูนเป็นคนพูดเียนนะอะไร่างจบงหไม่ใช่ไม่ได้ธรรมดาเนาจิตเนี่ยละเอียดทำงานเป็นภาพแล้วบวแล้วที่บวมก็้วนรูปเปเวลาเีกปัญหาขามาทำให้เกดเป็นรูแต่เรื่องเงินเลยรูปแต่ือบนว่าว่าเราจะจะเอาสอาไ่เียมเรื่องอเลย ก็โก็าแต่พอมันแก้ได้แ้วอยู่ไอ้คนนั้นเอก็เลยยอมเราหย่แก้สุดลำเอวเราเราแก้ไขผิดแล้วได้ต่อมาเนี่ยพอเรโบล่เห็นรับอาการพี้ยึัึดันไปดีเน่ยนำาทำในโครงการพวกามครับพอาะน้มันจะไม่นานพอเราแก้ไขได้มันไม่านแ้แก้ไขยังไม่ได้มันเป็นเราใช่ไมเขาุ่งใส่เราเราก็คือเราไม่ยอ ดดการที่ว่าเราเข้าโอ้ดิดแดแดนแ่เนเนี่ยเนี่ยดนแก่อันนี้นิวร์เนี่ยถ้าเราเห็นมันมันจะกานธรรมดเงี้ยนกถ่ด้หรอกไนเงียต้องสู้กับมันเอาชนะมันแต่ถ้าแก้ก็ยอมรับดีกว่าไม่ใช่แพ้บ่อยๆนะแม่ไม่เป็นไรแต่ม อ, อมว่ายอมรับรก็สู้ไม่ได้ก็ออยอมรับเช่น แ้วก็พยายามพยายามแล้วก็วกอันที่ส อ, อันที่สามะอันทีา่าที้าี่าีกว่าตัวนี้เยอะไหม มันก็ยไงแออัตมั่งมเป็นยังไงจ้องมึงจ้องมึงแล้วมันจะเห็นเหี้ยเลยเหี้มันก็คือติของเราที่มันมันมีเรื่องเสีวใจสมาธิออกมนเป็ังไง่อนีนะโง่เง่าหรือถ้าฟังนี่ถ้าเกิดฟังแล้วยางๆเนา่ยนะถ้าละมันเทศทำมาแยากร่วงง่ายเลยนะพูดไ่ให้รู้เรื่องอย่านโอ้โหเยอมาเรนี้วะเพราะน้ีนั้นก็เหมืนขึ้นมันไม่ได้อยู่ตลอไปนะ แล้วมันเกิได้กรับได้เนยพราะฉะนั้นเราจะสอนให้ให้ดูมันดูหน้าตาตอนนี้ก็ต้องทำจิตให้เข้มแข็งึ้น่านใจเแต่ถ้าใครสามารถดูมันได้นะจิตเข้มแข็งเลยนะเหมือนเป็นขึ้นจิตออกมาเป็นผู้ดูและนึวอนหนามันจะไม่ใช่จิตเราไม่ใช่เรามันจะเป็นอีสิสิ่งหนึ่งเลยนะนี่แหละนี่วหน้ามันเป็นคมเมืมันไม่ใช่ว่าเป็นเป็นเสถ้าเรายึ้ที่รับดูแ ราอมาข้อที่สองทุเจ้าบของเ่าให้นึกถึงหัวข้อธรรมท่กานไม่ตื่หัวข้อธรรมไหนก็ไม่ตื่นหรือเรื่องราวอะไรก็ได้เราเรื่องราวเนนี้นี้ยเ่นขึ้นมาแล้วทีเราตื่นขึ้นมาขา้่นถึงเลื่อกผีงีมันหลอกหวผีอะไรขึ้นมาว่าตื่นไม่ได้แต่ยิ่งกลัวหนักกไอาเลเป็นดิบบอลตัวใหม่ึงส่า โดยต่อามาข้อต่อไปข้อที่สถ้านึกธรรมะไม่หายก็ต้องออกเสียงด้วยสยยัจธแต่ก่อนี้ไอ้มนที่เราสวดนี่มันเป็นธนะรรมะนรเจ้ามัไม่ใช่ว่เามันเป็นมันเป็นคสอองพเจ้าโดยาแต่เรามาสวดทีนี่เป็นี่ศักดิ์สิทธิ์ไปมันเป็นรเบ้าห ม, มายในกมัสมัยของพุทธเจ้าแต่อมนเนี่ยมันจะเป็นเป็นการที่เอาคำสอนี่ามาายยันสำนะัญเราดส่วนใหญ่้ ก็จะมีบ้างพระปริศน์พรปริศ์ี่มีบ้างที่มันมีพวกอมนุษย์อะไรเนี่ยียังลลายอะไรส่วนพระปริกได้ทีก็มีการป้องกันของพระปริศน์อย่างอย่างนรเนี่อท้าววิสุวรรณมาหาคุณพเจ้าเ่ก็บอกว่าเนี่ยบุญที่เราขอท้าววิสุวรรณเนี่ยมัน พวกฝ่ายที side, ่มันป no <ce> ็นสัทาเใชในเจ้าเยอะๆดีนะไม่สัาริในในในในระในประชีในปฏิบัติธรรมอะไรเงียเยอะพราะฉะนั้นทางที่ดีอ่ะขอให้พระองค์เนี่ยให้พระีส่วนประกในิ่ีส่็นปกอบเจไปลับเ็นอะก็พสนกันไม่ายรายอะไรเลยมีต้องลองมาสวนกันทําอะไรกรรมเยอะแต่ก่อนเลยสวนเพื่อเพื่อให้มัน มันต้การตัเองไดก้การการที่ ม, มาซื้อครัวแต่ต้องสึกษาเรก่องสาระเชื่อมมันเลยจ้ยาจะทำได้วือแล้เพราะวะันนี้มเกิดขึ้จิงเพราะฉะนั้นในสมัยขอ่อนก็มีการสวดสวดคาพูดลงเจ้าเปสวดสาธยาเข้าใจด้วยที่ก็ตุนได้ถ้าไม่กระตุ้นก็พี่ก็สอนได้ มี่อี่ตัวบิหารทางกายแล้วในในในททีบอกเรื่อให้ปั่นดูสองข้างเคยปั่นดูไหมไม่เคยเลยเหรอเคยไหมใช่อะไรปั่นขนไก่ไหมโอ้ดิแสดงว่าถูถูพิธีการขนไก่ขอบินบออกใช่ไหมไปตากันน่ะแย่อะไรก็เยอะเยนะ นี่นีก็คปแก้รู้นายมีอรเยอความรูสองขาวเรียสั่งาไปรเปรามันเรียกว่าคนี้คำนี้อนะไระ เ, เยอะครับทุกสอบกะวนการความรู้ได้แล้วก็มีข้อหนึ่ง ก, ก็คือว่าทำจิตให้สดทำางวันให้เป็นกลางคืกางคนเป็นของแต่อันนี้จิตมันก็จะต้องมีกำลังต้องมีสมาธิพรามรรานั่น พวกเราได้เต้น่อีเยเราาจได้สบายๆแต่ต่อนไนที่ก็มีให้โโดือนกากางไส้ในความีค ก, ม, โ ม, โกมีทำเนวตืล่ล้างหนาล้างตานะต่อมาอีกถ้าไม่ไหวจริงๆเนียนั่งไม่ได้นะต้อ ง, ง, งรูเ้เท่าไหร่ถึโตเกี่ได้ยังแต่ถ้ายังไหวจะจริงๆก็ต้อบสุดท้ายให้นอน ส่วนใหญ่เอาเอาพ่อห้ก่อนพ่อ่วหก่อนยามีนอนมีสุดท้าเลยแต่แต่ลูกสิต้องูดเาี่งรื่อสังเกตนะนใกล้ใกล้นี่นซ้ี่ยจแ้ต้องรัคกย่เสยสุภาพเอาละนอนเคยมีคนปที่วัอะรไปาเขาก็พูดเรื่องอะไรวุ่นอะไรอะไแก่เราก็บอกว่าพี่ทีน้องจากยนเขาบอกมีฉันมากร่นเนี่ย ถ้าพักผ่อนให้เต็มที่ตื่นขึ้นมามันจะสดชื่นภาวนาได้ดีกว่าโอ้เบบผู้ข่าวที่ยงเนี้ยคือเขาก็ามันแจ้งเขาไงเขาเห็นผวเข่าเราไม่ได่จดยังไงช่ไก็ต้องบอกว่าอันนั้นิธีโองคุณส่วนวิธีของเจ้าอยแบบนี้แล้วเอาที่ดีของเจ้าคืนอนสุ้าแต่นอนไม่ใช่นอนธรรมดาเข้ให้ดีนะเออไป่ใช่นอนไปก็คือก็คือมีกช่แล้วเสียละ พี่ซ้ายขวาพี่เรีวี่ดีออไมใช่เหผู้เชี่ยวาให้นอนในท่าสีหาสายยาเท้าจีนั่ยาตางี้ใช่ไหมเท้าหลงเท้า แ, แท้งข้างขวาแล้วกำหนดไปด้วยว่ารู้สึกตัวจะนิ่งทุกค้นนี่คืความหายคให้ตื่นเงี้ยวขนานั้นเลยของเรานี่นอนลงไปเลย ตึงแล้วพลิหลายรอบใช่กําลังสบายนี่นี่ั้ไม่ตรงขอเจ้าุเจ้ามีแสดงมันเต้นความเร็วมากเพราะนั้นตราไปดูสิเจ้าก็อยาสามีก็สู้ัแล้วก็คุจาคุณจ้านี่หวอนอันนี้พุง่างพาลักการบระลักา์โบราณ่างบรรลักษ์ก่อที่เป็นเรื่องอันนี้เรื่อยๆแล้วก็เอต่อไปเรื่อๆเรื่อเ็สจางของูุ้าแล้วก็ พอนึกขึ้นมาบางเรื่องก็ทําใ่้กความหังาหรือความเดร้อนันมีแต่เดีวา้อกรอข้อสุดท้ายวิจิตชานบวอสสาสนใจข้อปฏิบัติความเบียดโดยมีเริ่มชอบคิดว่าเสนใจก็มาถานไม่สดใจเลยแต่ไปลองีดินั้งดีนี่เหรืออาจารย์ตรงนั้นตรงนี้เลยแต่ทีมีความเพียรได้ดีกรรมฐานเนี่ยเพื่อให้มีสติ เราเล่าเตียนเพื Tim, head, doll, awk, endo, ่อจะมีสติวิธีไหนก็ได้เพราะสติมันองเหมือนกันสตินี้จะมีหน้าที่คุณจิตมันจะคุณจิตได้พอคูมจิตแล้วจิตก็จะอยู่กับตัวเราถ้ามันอยู่ตัวเรานานขึ้นก็คือตัวอะไรเรียกอะไรจิตที่อยู่กับตัวเรานานขึ้นมันอยู่นานขึ้นไม่อยู่กลางแรงลมนานใช่ไหมเช่นอยู่กับรมหรืออยู่กับคําบริกรรมหรือกันัวอะไรสักอย่างแล้วอยู่ตรงนั้นมีเขาเรียกว่าตัวสมาธิ สมาธิก็คือการจิตของเราอยู่อารมณ์เดียวนานอยู่การมณ์เดียวนานๆเนรียกสมาธินะนี่สมาธิแล้วราก็ฝึกสมาธินี้ไปให้มันอยู่อารมณเดียวนานๆไปกว่าเพื่อให้มันเนื้เดให้มีกาลังพอามีกำลังแล้วจิตเรามันจะตั้งมันม่นขนตั้งมั่นในที่นี้หมายควมว่ามันจะ น, นีอะไรจกทดขึ้นกรู้มีไหมมีไหมที่มันรู้สึกว่าจิตเรานิ่งแล้วก็อะไรเกิดกึ้นรู้ด้วยแต่ว่า ไอ้ิ่นี ors, so ้เกิดขึ้นไม่ลืมริงออกัจิตเรานิ่งอยู่แล้วก็เห็นเห็นเนอาเวทนากิดขึ้นออกต่ายง่ายเลมันเห็นชัดเองนะจิตเรานิ่งอยู่เวทนาเกิดขึ้นก็เห็นว่าเออมันเจ็บก็อยู่สนเจ็จิตก็เนว่าเป็นจากเรื่อขเวทนาแล้วแต่ถ้ามันแรงขึ้นมาบามทีกำลังมันยังไม่พอไอ้จิตเราก็ต้องไป่นที่แรกมันเจ็บในส่วนเจ็บเอะกำลังความเจ็บเป็นเราแล้วเราเจ็บแล้ว ให้หอกูกชิ ور, ้นเลยเร่ต้องมารูจิตดิใช่ไหมต้องให้ทานจิตนะทำไปทานจิตเนี่ยทำตามมันก็ไม่ได้ต่อสู้มันก็ไม่ได้ต่อสู้บ้างแล้วก็คความมรคเหมือแล่วก็รูสติได้มีกำลังนกก็เป็นวิธีของรื่เจ้ามันเวทนาก็ให้รุ่นม่ีเหมนกัรือความคิดตรเหมือนกถ้าดูเวทนาได้ก็จะดูความคิดดูลมได้ก็ดูเวทนาได้ดูความคิดได้ดูกายดูเวทนาได้ก็ดู ทำได้คือเห็นโรคไม่เชียตรหอดก็นอาการที่ไม่เชีตรงล้ดเลยเราเ็นางสรุปแล้วที่เาหลักสูตรของย่ข้อที่หนึ่งคือสีสีเรวตก็เป็นผู้มีสีข้อที่สองซัมรินซีข้อที่สามคือจะบประมาณในการบริโภคใช้สอยเป็นลานแล้วใช้สยสิ่งะข้อสี่าลกต้องมีความเพียงให้ต่อเนื่องเพื่อให้ตืนข้อห้า มีสติสมีญาตุเดียดพยายามเต็มที่เขาก็ได้วแล้วไปเพราะว่าธรรมดาเราก็ต้มีอเป่าข้อหต้องรักมีวัหน้าได้สู้มีวัวห้าได้สุดท้ายกี่จะตั้งมั่นข้อสุดท้ายดีที่ตั้งมันรเวลากี่ตั้งมั่นมีกรรมฐานเนี่ยทั้งหมดที่เราทำมามันเหมือนกันเลยสตนฐานสีเนี่ยดูลงก็เห็นกายเห็นจิง เห็นเวนาแล้ถ้ามีกําลังรวถึงเนะี่ยมาร์กก็จะเริ่มรวมเข้ามาที่จิตเราที่แรกเป็นสมถะก่อนสมถะหมายว่ากิตมันเกิดต่อในแค่เดียวนานชื่นเลื่อนเยถ้ามันอยูออย่อย่างนี้นิ่งอยู่แล้วก็ลึกลงไปเรื่อยๆอย่างนี้แสดงว่าคนนั้นมีมนิสัยสมถะนำหน้ามีปรสนะคือจ ะ, จะเจริญมีปัสนาแต่ว่าอาศัยผลของสมถะคือตัวชาตินิชาอง มีฌานเกิดขึ้นแต่ต้องรอเวลาให้คือเวลามันอยู่ในฌานสที่มีกำลังมามันจะเข้ามาหลุดไว้คิดอะไรได้ออกเคยไหมเคยไหมเวลาสมาธิมันเลื่นลงไปมันไปที่อะไรไม่ออต้องรอเวลาให้ผิดพวกเราขยับออกมาสักหน่อยมันมันคลายออกมาแล้วก็พอสมาธิมันมันมันไม่มันไม่มีกําลังกาลังถอลงไปแล้วเราพอที่จะดูอะไรๆเข้าดูก่อน ไปดูขานหน้าหรือไปดูสติร้านสิอันนี้ก็มาสู่สติสมบัสติยะแล้วก็ขึ้นสุริปัสนาเหมือนกันแต่ว่าเจริญนิสัยคือมีสมถะนำหน้าวิปัสนาอีกประเภทหนึ่งเนี่ยพอจิตมันเริ่มนิ่งคือยังไม่ถึงวงชันพอมาเริ่มพอที่จะดูอะไรได้บ้างอันนี้คือวิปัสนาน้าสนาหรือเจเริญสมถะโดยอาศัยวิปัสนาหน้า พอจิตมันเห็นว่าไม่ใช่ของเรามันบางได้มันจะลงส่งไป เ, งเป็นสมสถะจากนั้นมันก็จะปฏิบัติเป็นสมสถะใหในบารมีผู้หน น, น, นาคอเห็ในแจ้งไปด้วยกันเพราะนั้นไปที่เดียวกันไว้แล้วใครจแบบไหนกันแต่ว่าเป้าหมายคือได้รู้ความจริงรู้ความจริงและวจิตจะลอยว่างจิตจะไม่ยึด ม, มันนนี่คือเป้าหมายที่เรามา เพื่อให้ร้คามรเพราะนั้นเป้าหมายจริงก็คือว่าเราจะต้องมีสติรักษาติดเราไม่ยินดีไม่ยินร้นายที่ส้รวมาทั้งหมดเพื่อุสติและก็มารักษาติดตัวไม่ให้ติดไปยินดีร้ายบสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นเราจึงว่าหลักสูตรเลยว่าเริ่มต้นต้องทำสบายๆผลเป็นยังไงตอนเรื่องของสมาพันแต่หน้าที่เราปฏัติเพราะนั้นเราก็จะเอาแบบนี้คอรักษาติอะไรอยู่พยายามมีสติ แล้วก็พยายามให้ตีเราไม่เป็นยิดียินร้ายถ้ามันยินดีก็ต้องรู้ทันหรือว่าต้องหาเหตุหาผว่ามันยินดีกว่ามันยินร้ายก็ต้องหาเหตุหาผลหรือมีสติรู้บางทสติรู้มันก็ดับได้บางทมันไม่ดับเราก็ต้องหาเหตุครับแต่ทาไมมันเยินร้ายมันเป็นทำตอนเข้าใจเราพอเราเข้าใจเสแล้วมันก็จบไปอันหนึ่งคือใช้กำลัง ใ้สมาธิกำลังของสติกำลังของสติสติคุมจิตก็เป็นสมาธิอีกการหนึ่งใช้วิปัสนาคือใช้ตามที่เจริญมาเลยใช้เอาหลักความจริงมาสองจิตแล้วก็แก่แต่วิปัสนาจริงๆนั้นหมายถว่าที่เรั้งมาแล้วจิตมองเห็นสิ่งทั้งหลายก็มเกิดขึ้นแล้วกระดับไปหน้เห็นวยเข้าวัยเข้าวิปัสนาก็เห็นวัดเห็นเนืองเองเห็นมากมากนี่ถึเป็นวิปันา ถ้าเห็นเห็นยังไม่น่าพอเนี่ยมันมันกำลางมันไม่พอเขาเขาจึงเรียกว่าเป็นสบิชัมปัตะเพราะว่ามันเกิดคล้อกับสิเกิดเป็นั้งาแต่ทวิปัสสนาต้องเห็นหมดเห็นไม่ใช่ของเราหรือเราคือต้นตั้งมันกลไปต้องเห็นหมดเห็นเนืงเงินเห็นมากๆจกจะทั่มันสมุดได้ปัสสันได้มักพิจารณตัวเป็นมัสสมาคีปัญหที่ได้แน่น พระนั้นทางของเจนี่สามารถบรรลุมรรผลในการผ่านได้จริงถ้าใครเป็นบัตรจริงรับรองได้ผลจริงนนแน่อย่างน้อยช่วงที่เรามานี้คือเห็นเห็นทุกคนตั้งใจมามีความสภาวะลงใสเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มต้นตั้งแต่ตั้งแต่วันนี้เราจะพยายามให้เกิดผลอย่างน้อยจะต้มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น เราจะใช้หลักธรรมของเจ้าเอามาเป็นกรอบเป็นบรรทัดฐา น, ฐานแม้จะพยายามปฏิบัติให้ตรงตามหลักธรรมของเจ้าแล้วก็เราจะพยายามปฏิบัติให้จริงจังพยายามทําให้มีจริงจังขึ้นดูว่าเป็นที่ของแต่ละคนได้กี่เปอร์เซ็นต์ก็ตามแต่ให้เป็นที่ร้อยนิ่งดี90้าสิบสิก็แล้วแต่แต่ว่าเราพยายามให้ที่พวกเรา